กันที่7ปาจิตตีสับนี้แก้ไว้แล้วในการที่6ปาจิตตีที่ไม่ต้องให้เสียสละสิ่งของเรียกให้แปลกจากนิสกิยะปาจิตตีว่าสุธิกะปาจิตตีแปลว่าปาจิตตีล้วนแต่ในบาลีเรียกเพียงปาจิตตีสิกขาบทในกันนี้มี92จัดเข้าเป็น9วรัควรัคละสิสิกขาบทเว้นไว้แต่สหธรรมิกวรัค ที่8มี12สิกขาบทมุสาวาทวรักที่หนึ่งสิกขาบทที่หนึ่งว่าเป็นปัจจิตีในเพราะสัมปชาณมุสาวาทสัมปชาณมุสาวาทนั่นคือรู้ตัวอยู่กล่าวเท็จพึงรู้โดยลักษณะอย่างนี้เรื่องเป็นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผู้พูดจงใจจะพูดให้คลาดจากความจริง พูดหรือแสดงอาการอย่างอื่นด้วยเจตนานั้นให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นอย่างอื่นจากความจริงแสดงเพียงประโยคกายเช่นเขียนหนังสือแสดงความไม่จริงก็สำเร็จเป็นการกล่าวเท็จเหมือนกันนับเข้าในข้อนี้ด้วยมุสาวาทในสิกขาบทนี้เพ่งเอาที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสิกขาบทอื่นเพราะเหตุนั้นภิกษุกล่าวมุสาวาท อันจะพึงปรับด้วยสิขาบทอื่นมีโทษแรงกว่าก็ดีหรือเป็นปจจิตีเสมอกันก็ดีพึงปรับด้วยสิขาบทนั้นกล่ามุสาวาทพ้นจากนั้นพึงปรับเป็นปจจิตีด้วยสิขาบทนี้อาบัตในสิขาบทนี้เป็นสจิตกะเพราะเนั้นพูดด้วยสำคัญผิดก็ดีพูดพลังคือพูดโดยด่วนไม่ทันยั้งก็ดีพูดพลาด คือใจคิดอย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งก็ดีไม่เป็นอาบัติรับคำของเขาด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วทำให้คลาดในภายหลังเช่นรับนิ ม, มนต์ว่าจะไปแล้วภายหลังหาไปไม่เรียกปฏิสวะท่านปรับเป็นอาบัตทุกกฎไว้ในที่อื่นสิกขาบทที่สองว่าเป็นปรจจิตีในเพราะโอมสวาท โอมสว่านั้นคือคำพูดเสียแทงให้เจ็บใจพึงรู้โดยลักษณะอย่างนี้ผู้พูดปรารถนาจะทำให้ผู้ที่ตนมุ่งเจ็บใจหรือได้ความอัปยตพูดหรือแสดงอาการอย่างอื่นด้วยเจตนานั้นให้ผู้ที่ตนมุ่งรู้ความแห่งคำพูดที่พูดหรืออาการที่แสดงนั้นใช้เป็นเครื่องเสียแทงเพื่อเจ็บใจ วัตถุสำหรับอ้างขึ้นกล่าวเสียแทงนั้นคือชาติได้แก่ชั้นหรือกำเนิดของคนหนึ่งชื่อหนึ่งโคดหรือแทหนึ่งการงานหนึ่งศิลปะหนึ่งโรคหนึ่งรูปพันณสันฐานหนึ่งกิเลสหนึ่งอาบัติหนึ่งคำสบประมาทอย่างอื่นอีกหนึ่งรวมเป็นสิบนี้เรียกว่าอกโกสวัตถุแปลว่า เรื่องสำหรับด่ากิริยาผู้เสียดแทงนั้นเป็นไปโดยอาการสองสถานแกล้งพูดยกยอด้วยเรื่องที่ดีกระทบถึงชาติเป็นต้นซึ่งเรียกว่าแดกบ้างประชดบ้างอย่างหนึ่งพูดกดให้เลวลงซึ่งเรียกว่าด่าหนึ่งตามความแห่งสิกขาบทไม่ได้แสดงโดยเฉพาะว่าผู้เสียแทงใครแต่ในคัมภีวิพังแสดงในนิทานว่า ภิกษุต่อภิกษุพูดเสียแทงกันในวาระแจกอบัตท่านจึงกล่าวแสดงว่ากล่าวเสียดแทงอนุปสัมบันิโดยจังๆเป็นปจิตติกล่าวเสียดแทงอนุปสมบันิแต่ไม่เจาะตัวว่าเปล่เยลยก็ดีกล่าวเสียแทงอนุปสัมบันด้วยอาการทั้งสองนั้นก็ดีเป็นทุกกฎไม่ได้เพ่งความเจ็บใจหรือความอภยศพูดล้อเล่นแต่กระทบวัตถุ มีชาติเป็นต้นเหมือนกันมุ่งอุปสัมบัติก็ตามอนุปสัมบัติก็ตามพูดเจาะตัวก็ตามพูดเปลยก็ตามเป็นทุภาสสิทธ์เสมอกันอาบัติทุภาสสิทธนี้มาในวิพังแห่งสิกขาบทนี้แห่งเดียวอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุ่งอัดมุ่งทำรร ม, มุ่งสั่งสอนเป็นเบื้องหน้ากล่าวถึงชาติเป็นต้นของเขาไม่เป็นอาบัต สิกาบทที่สว่าเป็นปจิตติในเพราะสอดเสียดภิกษุขคาสอดเสียดเรียกโดยชื่อว่าเปสุญญวัฒพึงรู้โดยลักษณะอย่างนี้ฟังคําของข้างนี้แล้วเก็บเอาไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายข้างนี้ฟังคําของข้างโน้นแล้วเก็บเอามาบอกข้างนี้เพื่อทําลายข้างโน้นด้วยปรารถนาว่าตนจะได้เป็นที่ชอบของเขาบ้าง ด้วยปรารถนาจะให้แต่กันเป็นการทอนกำลังเขาลงบ้างวัตถุสำหรับเก็บเอามาสอดเสียดนั้นสิบอย่างเหมือนวัตถุสำหรับกล่าวเสียแทงตัวยอย่างเช่นฟังคำของฝ่ายหนึ่งแล้วบอกแกอีกฝ่ายหนึ่งว่าคนนั้นเขาพูดเหน็บแนมท่านกระทบชาติว่าอย่างนั้นอย่างนั้นสอดเสียดภิสุต่อพิษุด้วยกันต้องปาจิตตีข้างหนึ่งเป็น อุปสมบันอีกข้างหนึ่งเป็นอนุปสมบันิหรือเป็นอนุปสัมบันทั้งสองข้างซอเสียดต้องทุกกฎเขาจะแต่กันก็ตามไม่แต่กันก็ตามไม่เป็นประมาณซอเสียดคงต้องอาบัตตามวัตถุได้ฟังมาแล้วบอกด้วยปราลบเหตุอย่างอื่นไม่ได้ปรารถนาจะให้ตนเป็นที่ชอบของเขาและไม่ได้ปรารถนาจะให้เขาแต่กันไม่เป็นอาบัต สิขาบทนี้ดูเหมือนปรารบเรื่องอันจริงถ้าภิกษุพูดเท็จยุยงให้แต่กันจะต้องอาบัตโดยฐานไหนในเรื่องอันเดียวยังไม่พบแบบที่จะปรับอาบัตต่างวัตถุจะปรับรวมทั้งเพราะพูดมุสาทั้งเพราะพูดยุยงให้เป็นปาจิตตีสองตัวต่างวัตถุ ก, กันไม่ได้มีตัวอย่างเช่นพูดเท็จโจดด้วยอาบัตสังคาธิเศษไม่มีมูล ประเป็นปาจิตีเพราะโจ์อาบัตสังคาทิเศกไม่มีมูลในที่นี้มุ่งจะยุคยงให้เขาแต่กันเป็นใหญ่ชอบให้ปรับด้วยสิขาบทนี้แต่ถ้าอาบัตที่จะพึงปรับในสิขาบทนี้เป็นเพียงทุกกฎและเห็นว่าอ่อนเกินไปคำมุสาในที่นี้แรงกว่ามุสาสับปรับความพอใจของข้าพเจ้าจะใครยกอาบัตที่แรงกว่าขึ้นปรับ ในที่นี้อาบัติเพราะมุสาวาทแรงกว่าความปรับเป็นปรจจิตีข้าพเจ้าฝากความข้อนี้ไว้เพื่อพระวินัยธรพิจารณาต่อไปสิกขาบทที่สว่าอันหนึ่งภิกษุใดอย่างอนุปสมบันให้กล่าวทำโดยบทเป็นปรจจิตีอนุปสมบัตินั้นคือคนอันไม่ใช่ภิกษุมีใช่ภิกษุณีในบางสิกขาบท มุ่งเอาเฉพาะผู้ชายก็มีเช่นสิขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกับอนุปสัมบันต่อไปนี้ในบางสิขาบทมุ่งทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็มีเช่นในสิขาบทนี้ทานั้นคือบาลีแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ท่านเรียงไว้โดยเป็นภาษิตของพระพุทธเจ้าบ้างโดยเป็นภาษิตของพระสาวกบ้างโดยเป็นภาษิตของฤาษีบ้าง โดยเป็นภาษิทธ์ของเทวดาบ้างให้กล่าวทำโดยบทนั้นคือสอนให้ว่าพร้อมกันว่าขึ้นพร้อมกันจบพร้อมกันเรียกว่าให้กล่าวโดยบทภิกษุว่านำขึ้นอนุประสมบันรับบทต่อลงไปแล้วว่าไปด้วยกันจนจบเรียกว่าให้กล่าวโดยอนุบทในบทเดียวขึ้นอักษรร่วมกันบ้างไม่ร่วมกันบ้าง เรียกว่าให้กล่าวโดยอนุพยัญชนะทั้งสี่อย่างนี้ให้ต้องอาบัตเหมือนกันเป็นอาบัตมากน้อยตามประโยคที่สอนให้ว่าพร้อมกันกำหนดด้วยขึ้นและลงคราวหนึ่งหนึ่งอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะเพราะเหตุนั้นแม้ภิกษุตั้งใจจะระวังไม่ว่าพร้อมกันแต่พลาดว่าพร้อมกันเข้าเป็นอาบัตเหมือนกันสวดพร้อมกันท่องพร้อมกัน ทักอนุปะสมบัญผู้ว่าผิดสวดผิดกลางคันไม่นับว่าสอนให้ว่าทาโดยบทไม่เป็นอาบัติการสอนให้ว่าทาโดยบทซึ่งกล่าวถึงในสิขาบทนี้เป็นวิธีที่ใช้สอนให้จำในยุคที่ยังไม่ได้ใช้นังสือวิธีนี้ได้เคยใช้มาในวัดทั้งหลายมีภาษาเรียกว่าต่อหนังสือค่าข้อที่ว่า ห้าไม่ให้ว่าพร้อมกันนั้นปรากฏในนิทานแห่งสิกขาบทแล้วเพื่อจะไม่ให้สิทธิหมิ่นครูสิกขาบทที่5ว่าอันหนึ่งภิกษุใดสเร็จการนอนร่วมกับอนุปสมบัติยิ่งกว่า2อถึงคืนเป็นปะจิตติอนุปสมบันิในที่นี้หมายเอาผู้ชายซึ่งไม่ใช่ภิกษุการนอนร่วมนั้นหมายความอย่างไรนอนในเครื่องลาดอันเดียวกัน หรือนอนในห้องเดียวกันสนิษฐานความตามนิทานต้นบัญญัติอันกล่าวว่าทรงบัญญัติเพื่อจะการชาวบ้านไม่ให้เห็นกิริยานอนหลับของภิกษุอันจะแสดงท่าทางวิปลาสผิดจากอาการของผู้ส่องบออันไม่เป็นเครื่องเจริญใจของผู้ได้เห็นการนอนร่วมกันนั้นกำหนดด้วยนอนในที่แลเห็นกันได้ในเวลาหลับ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 ถือตามในของพระอัจฉริยะจานนั้นครั้งคนทํำย่าเรือนยังไม่ใหญ่โตก็ไม่เป็นไรในเวลาที่คนทําเรือหลังเดียวใหญ่โตทําเชื่อมเรือหลายหลังให้เดินถึงกันถือตามในนั้นอยู่ข้างไม่สะดวกที่ผลวิสัยของภิกษุจะป้องกันได้ก็มีข้าพเจ้าพอใจจะกําหนดเขตการนอนร่วมพอให้สมกับความมุ่งหมายเดิมของการบัญญัติสิกขาบทดังกล่าว แล้วนั้นคือในเรือนมีหลายชั้นมีหลายห้องเป็นที่อยู่ของคนมากกำหนดเอาเฉพาะส่วนเป็นที่อยู่เป็นที่นอนของบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นเขตแห่งสหสัสสยอันหนึ่งอันหนึ่งเทียบตามเขตไม่อยู่ปราดไตรจีวรที่กำหนดด้วยเรือนของต่างสกุลให้ถือเอาห้องที่อยู่ของสกุลหนึ่งสกุลหนึ่งเป็นเขต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 ผลที่มุ่งหมายแห่งพระบัญญัติก็ไม่สาเร็จจริงกลายถือเป็นพิธีไปเมื่อกำหนดสามคืนเป็นเขตแล้วคําว่าสองคืนในสิกขาบทไม่มีประโยชน์ไม่ให้สาเร็จความเข้าใจว่าอย่างไรเป็นสับเกินก็ไม่ใช่พระในที่อื่นก็มีหรือคําอื่นเช่นวาจา 5-6 คถึงกก็มีต้องเข้าใจว่าเป็นความนิยมของภาษาเอง ผู้สำหรับให้กลิ้งกลา่าเพราะการนอนกําหนดด้วยราตรีนอนร่วมในกลางวันท่านจึงไม่นับและกําหนดว่าล่วงราตรีนั้นนับเอาเป็นอารุณ์ขึ้นเหมือนในสิกขาบททั้งหลายอื่นนอนมาเท่าไหร่ก็ตามจวนเวลาอารุณ์ลุกขึ้นเสียนับว่านอนร่วมไม่ได้เป็นประเพณีที่ถือกันมาว่าภิกษุกับอนุประสัมบันิเหยียดกายร่วมกัน ในเขตสหสัายเดียวกันผ่านเวลาอารุณ์ขึ้นกี่ครั้งนับว่านอนร่วมเท่านั้นคืนนอนร่วมได้สองคืนแล้วในคืนที่สามให้พรากกันเสียหรือให้ลุกขึ้นเสียฝ่ายหนึ่งก่อนเวลาอารุณ์ขึ้นเมื่อได้ทำอย่างนั้นแล้วหากราตรีที่นอนร่วมลงได้หมดนับตั้งหนึ่งไปใหม่ถ้านอนร่วมล่วงสามคืนแล้วในคืนที่สี่ ตั้งแต่ตะวันตกแล้วไปเยียดกายร่วมกันไม่ได้แม้ขนาดหนึ่งถ้านอนร่วมกันลงต้องปฏิจ ต, ตีนับเท่าประโยคที่นอนร่วมลงกําหนดด้วยลุกขึ้นของฝ่ายหนึ่งเป็นคราวๆอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะแม้นับราตรีพลาดก็ไม่ผลสถานที่มุงกึง่งบางกึง่งท่านว่าเป็นเขตแห่งอาบัตทุกกฎ ตัวอย่างเช่นไรยังนึกไม่ออกสถานที่มุงหมดแต่ไม่ได้บังเลยเช่นสาลาโถงก็ดีสถานที่บังหมดแต่ไม่ได้มุงเลยเช่นข้อก็ดีสถานที่มุงโดยมากแต่ไม่ได้บังโดยมากเช่นสาลาโถงนั้นอันมุงไว้ไม่หมดและกั้นฝาไว้โดยเอกเทศไม่ถึงครึ่งไม่จัดเป็นเขตสหสัย นอนด้วยกันในนั้นไม่เป็นอาบัติขอผู้ศึกษาวินัยจงเห็นเถิดว่าการถือสิกขาบทนี้กลายมาเพียงไรจนไม่สำเร็จความมุ่งหมายเดิมตกเป็นสักว่าธรรมเนียมเสร็จแล้วคงให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวแต่เพียงให้ตื่นเช้าไม่ควรถือเอาธรรมเนียมนี้เป็นเครื่องข่มภิกษุอื่นผู้ประพฤติบกพร่องในสิกขาบทนี้เพราะถืออย่างไรก็ตามผลย่อมไม่แปล ก, กัน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 อธิบายทั้งปวงพึงรู้โดยในอันกล่าวแล้วในสิขาบทก่อนแปลกแต่ในสิกขาบทนี้เป็นอาบัตตั้งแต่คืนต้นพอตะวันตกแล้วเหยียดกายร่วมกันก็ต้องอาบัตบรรดาลและสัตว์ดิรฉานตัวเมียท่านกล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งอาบัตทุกกฎดิรฉานตัวเมียนั้นจำพวกมีทวารใหญ่พอจะเสพเมถุนได้ ถ้าหมายเฉพาะทวารหนักทวารเบาก็พอฟังได้ถ้าหมายถึงปากอยู่ข้างจะมากความพาให้รังเกียจกันมาจนตุกแกอยู่ข้างจะน่าหัวเราะสิขาบทที่เจ็ดว่าอันหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามยิ่งกว่า 5-6 ถึงคำเว้นไว้แต่บุรุษผู้รู้ดิงสามีอยู่เป็นปาจิตติ มาตุคามในที่นี้หมายเอาหญิงมนุษย์ผู้รู้เดียงสาสิกขาบทที่8ว่าภิกษุใดบอกอุตริมนุสธรรมของตนแก่อนุประสัมบัทเป็นปาจิตติเพราะมีจริงสิกขาบทที่9ว่าอันหนึ่งภิกษุใดบอกอาบัต ช, ช่วยหยาบของภิกษุแก่อนุประสัมบัทเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติเป็นปาจิตติ อาบัตช่วยอยากนั้นในคำพีวิพังแก้ว่าปาราชิกสและสังฆาทิเศตสิสแต่ในอัิกถาว่าในสิกขาบทนี้หมายเอาสังฆาทิเศษอย่างเดียวแต่ท่านยอมไว้แล้วว่าบุคคลต้องปาราชิกภิกษุสำคัญว่าบริสุทธิ์ด่าว่าต้องปจิตตีด้วยโอมัสวาสิกขาบทภิกษุบอกอาบัตปาราชิกของบุคคลนั้น น่าจะต้องปะจิตตีด้วยสิกขาบทนี้แต่ท่านยังถือคําของพระอัคกถาจารย์เดิมเป็นประมาณอ้างว่าเป็นผู้รู้พระพุทธทีิบายเพิ่งรู้ความมุ่งหมายแห่งสิกขาบทนี้ว่าทรงบัญญัติไว้เพื่อจะห้ามไม่ให้ภิกษุเอาความเสียของการไปประจานหากว่ารูปหนึ่งรู้ว่าอีกรูปหนึ่งต้องาราชิกไม่ตักเตือนเจ้าตัวเองหรือไม่โจดขึ้นในสงตามธรรมเนียม เอาไปบอกแก่อนุปสัสมบันด้วยปรารถนาจะค่อนขอดจะปล่อยให้รอดไปจากสีขาบทนี้เถยวหรือข้าพเจ้าเห็นไม่พ้นเพราะเหตุ น, นั้นเห็นว่าคําในคาภีวิพังกล่าวไว้กว้างดีแล้วแต่เพื่อจะแก้ความดื้อด้านของภิกษุบางรูปได้ทรงพระอนุญาตให้สงสมมุติภิกษุใช้ให้ไปบอกได้สมมตินั้น กำหนดอาบัตก็มีกำหนดสกุลก็มีไม่กำหนดก็มีภิกษุผู้สมมุติอย่างใดต้องบอกอย่างนั้นทำนอกทำเหนือไปต้องปัจิตติเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมติบอกอาบัตไม่ช่วยยากต้องทุกกดสีขาบทที่10ว่าอันหนึ่งภิกษุใดขุดก็ดีให้ขุดก็ดีซึ่งปัตพีเป็นปัจิตติ ในคำพีวิพังแจกปัทภีไว้เป็นสองปัทภีแท้เรียกว่าชาตะปัทภีปัทภีไม่แท้เรียกอาชาตะปัทภีปัทภีแท้นั้นคือมีดินร่วนล้วนมีดินเหนียวล้วนหรือมีของอื่นเช่นหินกรวดกระเบื้องแร่และสายน้อยมีดินร่วนดินเหนียวมาก ดินนี้ประสงค์เอาที่ยังไม่ได้เผาไฟกองดินร่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีที่ฝนตกรถเกินสี่เดือนมาแล้วนับเข้าในปฐพีแท้เหมือนกันปฐพีไม่แท้นั้นเป็นหินเป็นกรวดเป็นกระเบื้องเป็นแร่เป็นสายล้วนหรือมีดินร่วนดินเหนียวน้อยเป็นของอื่นมากดินที่ไฟเผาแล้วเป็นปฐพีไม่แท้ กองดินร่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีอันฝนตกรถยังหย่อนกว่าสี่เดือนนับเข้าในปฏิพีไม่แท้สิขาบทนี้ไม่มีอะไรบ่งชัดน่าจะเป็นอจิตกะแต่ท่านกล่าวว่าอาบัตเป็นสจิตกะจะเลงเอาว่าภิกษุเดินไปไม่ตั้งใจแต่ทำดินให้เป็นรอยไม่เป็นอาบัตกระมังสาวะขุดบ่งความอยู่แล้วว่า ทำเช่นไรเดินไปเหยียบดินที่อ่อนเว้าเป็นรอยเท้าไม่ เ, เรียกว่าขุดพิกสุขขุดเองก็ดีใช้ให้เขาขุดก็ดีซึ่งปฏิพีแท้แม้จะสำคัญว่าไม่ใช่ดูเหมือนไม่มีคาอะไรในสิขาบทจะยกเป็นเครื่องแก้ตัวพูดแสดงความประสงค์ให้เขารู้แต่ไม่ใช่เป็นคำใช้ให้ทำท่านว่าไม่เป็นอาบัตสิขาบทนี้